สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพคลิปนี้กับผมนายกรณขนชอบเล่าเป็นเรื่องราวของทางบ้านนะครับที่ท่านสมาชิกได้กรุณาแชร์มาให้ผมได้ถ่ายทอดต่อก็มีอยู่หลายเรื่องหลายแนวนะครับผมก็จะทยอยถ่ายทอดออกไปตามคิวครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณอย่าให้อดีตมาขีดอนาคตสมาชิกของทกรณขนชอบเล่าเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงลองฟังกันดูนะครับผมเป็นหนุ่มเมืองน้ําดําครับ เมื่อสองการานต์ที่ผ่านมาผมได้เดินทางกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งก็ถือว่าเป็นประจำทุกปีและก็เป็นประจำอีกเหมือนกันที่จะต้องมีการพบปะ ก, กับเพื่อนฝูงมีการสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้แต่ปีนี้เพื่อนผมคนนึงที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มที่กรุงเทพจึงได้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านและตอนเย็นๆของแทบจะทุกวันในเวลานั้นผมก็มักจะเข้าไปนั่งเล่นกับเพื่อนคนนี้ที่บ้านของเขา ซึ่งบ้านผมกับบ้านของเขาอยู่ห่างกันประมาณ500เมตรการไปนั่งเล่นคุยกับเขา2คืนแรกก็เป็นปกติแต่คืนที่3 ม, มันมีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นคืนนั้นก่อนออกจากบ้านพ่อผมบอกว่าให้เอาไฟฉายติดตัวไปด้วยซึ่งแกก็คงจะเห็นว่าผมมักจะกลับดึกอ้อลืมบอกไปครับบ้านผมอยู่ข้างวัดแต่ระยะทาง500เมตรจากบ้านผมไปบ้านเพื่อนนั้นเวลาเดินทางไปก็ต้องผ่านหน้าวัดตรงหน้าวัดจะมีไฟอยู่หนึ่งดวงไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เรียกว่าแถวบ้านรู้สึกชินก็เดินไปหาเพื่อนตามปกติวันนั้นเราคุยกันไปถึงเวลาประมาณห้าทุ่มเพื่อนผมก็บอกว่ากุ้ง่วงแล้วผมก็เข้าใจว่ามันป่วยอยู่ก็เลยบอกว่าเอองั้นแยกย้ายไปนอนเถอะและผมก็ต้องเดินทางกลับบ้านในเวลาห้าทุ่มแต่บรรยากาศต่างจังหวัดลองคิดดูนะครับสี่ทุ่มนี่ก็ว่าดึกมากแล้วทุกคนส่วนใหญ่ตามบ้านนอกก็มักจะหลับกันหมดแล้ว และผมวันนั้นไม่รู้เป็นไงคุยเพลินไปจนถึงห้าทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่เงียบมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะ่ะยังไงก็ต้องเดินกลับบ้านคิดได้อย่างนั้นก็ต้องจ้ำเดินจุดหมายคือบ้านอันอบอุ่นระหว่างเดินกลับบ้านคนเดียวคืนนั้นบรรยากาศรอบตัวมันวังเวงและเงียบมากเดินต่อไปกับบรรยากาศอย่างนั้นจนถึงหน้าวัดเห็นแสงไฟริบรี่ที่หน้าวัดซึ่งไม่ค่อยสว่างมากนักอย่างน้อยก็ทาให้รู้สึกดี ตอนนั้นเงยหน้าขึ้นเป็นมองไฟและก็เลยมองไปบนฟ้าผมก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นมันคือพระจันทร์ที่เป็นสีเลือดรอบๆดวงจันทร์นั้นมันมืดมากใจผมตอนนั้นรู้สึกผิดปกติไม่ค่อยดีหายจังงังนิดนึงผมก็รีบจ้ำอ้าวกลับบ้านถึงบ้านได้ก็เข้าบ้านรีบล็องประตูหน้าบ้านเข้านอนทันทีระหว่างที่นอนนั้นรู้สึกใจมันไม่เป็นปกติมันสันสนัไม่รู้ว่านอนไปนานเท่าไหร่จูจูก็มีเสียงหมาเห่าดังมาก ลักษณะาการเห่าของมันเหมือนมันจะขู่จะกัดอะไรสักอย่างแต่แปลกเสียงของหมาเห่าดังขนาดนี้พ่อแม่และตาของผมไม่มีใครตื่นจากการนอนหลับสนิทกันทุกคนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ผมคนเดียวที่ตื่นอยู่และอยู่กับความกลัวกับเสียงและบรรยากาศแปลกๆที่สัมผัสได้ผมดูนาฬิกาเวลานั้นตีสอนาทีผมนิ่งฟังเสียงหมาเห่าไปประมาณหนาทีกับบรรยากาศที่เย็นยเยือกรอบตัว ระหว่าที่หมาเห่าอยู่ก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นเสียงเสียงนั้นร้องดังมาจากหน้าบ้านผมเธอบอกว่าเฮ้ยห hey, ยุดเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยได้ยินแค่นั้นเสียงนั้นก็เงียบไปหมาก็ยังเห่ากันต่อสักพักหมามันก็เงียบลงผมก็ได้แต่นอนฟังตอนนั้นรู้สึกกลัวมากไม่กล้าปลุกใครไม่กล้าเปิดผ้าม่านออกดูนิ่งอยู่อย่างนั้นอีกประมาณ3นาทีก็มีเสียงหมาเห่าในหมู่บ้านอีกชุดหนึ่งจากนั้นก็เงียบไป และผมก็หลับไปตอนไหนไม่รู้สาววันรุ่งขึ้นผมเลยเล่าให้พ่อกับตาฟังผมถามพ่อกับตาแล้วว่าทุกคนได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมสรุปทุกคนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ตากับพ่อของผมบอกว่าเสียงของผู้หญิงคนนั้นก็คือเสียงของเปรต ด, ดิบเปรต ด, ดิบก็คือคนที่ยังไม่ตายแต่ชอบขโมยของวัดบาปหนักก็เลยกลายเป็นเปรตทั้งเป็นพ่ อ, อยังเล่าได้ว่าหลายเดือนก่อนลุงผมกลับจากสวนดึกๆ แกก็เคยเห็นผู้หญิงแก่ตัดผมสั้นเดินเท้าไม่ติดดินเข้าไปในวัดนี่ก็คือเรื่องที่ผมไปเจอมาตอนสงครานครับจบแล้วครับประสบการณ์จากคุณจะให้อดีตมาขีดอนาคตแม้ผมชอบชื่อนี้จังเลยแต่เรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะสั้นไปเอาอีกสักท่านดีกว่าครับเรื่องที่จะถ่ายทอดนี้เป็นของคุณสกอตต์อนุรักษ์ซอและสมาชิกผู้ใจดีซึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ของบิดาของเขาให้ผมได้นามาถ่ายทอดให้ฟังกันเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับ นี่คือเรื่องราวของพ่อผมที่ไปประสบมาเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ20ปีก่อนสถานที่เกิดเหตุอุทยานแห่งชาติตะรูเตาจังหวัดสตูลเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึง่งมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 5-6 ถึงคนนัดกันไปล่าสัตว์เพื่อจะนำมาเป็นอาหารพอเริ่มค่ำก็พากันออกเดินทางโดยมีสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟฉายและปืนคนละกระบอกแล้วก็มีคนคนหนึ่งในกลุ่มนั้นบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางว่า วันนี้พวกกระผมจะขอกระจงที่หมดอายุไขเพื่อนำไปทำอาหารสักสี่ตัวเมื่อทำการบอกกล่าวเสร็จจากนั้นจึงเริ่มเดินทางเข้าไปเดินไปไม่ไกลก็ได้เจอกระจงหนึ่งตัวทุกคนรู้สึกดีใจและเพื่อนของพ่อก็ยิงโดนเมื่อยิงได้จากนั้นก็จับเชือดคอแขวนไว้ที่ต้นไม้ประเดิมตัวแรกได้ไวเห็นทีว่าคืนนี้จะไม่พลาดหวังจากนั้นจึงเดินหาล่ากระจงกันต่อไปเลยจากจุดที่ยิงตัวแรกได้ไม่ไกลก็มาเจออีกตัวหนึ่ง จึงได้จัดการสําเร็จโทษด้วยการยิงแล้วก็เชือดแขวนคอไว้ที่ต้นไม้เช่นเดิมพร้อมกับทําเครื่องหมายไว้ทุกคนในกลุ่มรู้สึกดีมากที่ล่าสัตว์ได้ดังใจออกเดินไปอีกไม่ไกลก็ได้เจอกับตัวที่3เข้าอีกก็ทําเช่นเดียวกันกับตัวที่1และตัวที่2ก็คือยิงเชือดแขวนไว้กับต้นไม้เป็นอันว่าเหลืออีกเพียงหนึ่งตัวจะได้ครบตามจํานวนที่ต้องการทั้งกลุ่มจึงออกเดินทางหากันต่อไปและแล้วก็มาพบเจอตัวที่สี่ กระโจงตัวนี้มีลักษณะตัวอ้วนพียวกว่าตัวอื่นที่ยิง ม, มาทั้งสามตัวก็ลงมือจัดการเช่นเดียวกันกับสามตัวที่ผ่านมาแล้วเพื่อนพ่อคนนึงในกลุ่มก็เอ่ยขึ้นมาว่าเฮ้ยมันตัวโตวอย่างนี้คงจะเป็นถ้วยกระโจงกระมังฮฮฮฮสิงหัวเราะเกิดขึ้นในกลุ่มแล้วก็มีเพื่อนคนนึงในกลุ่มบอกว่าอย่าพูดรบหลูในที่และในเวลาแบบนี้สิแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีอีกคนในกลุ่มบอกขึ้นว่าพวกเราน่าจะออกหากันอีกนะเพราะว่ามันเยอะมาก ดูสิแป๊บเดีวไี่4ตัวแล้วแล้วก็มีคนนึงในกลุ่มร้องทักขึ้นมาว่าอย่าไปกันต่อเลยเราขอแค่สี่ตัวนะแต่เสียงศูนย์มากก็บอกไว้ให้หากันต่อเถอะมาทั้งทีสรุปทําให้ต้องออกเดินกันต่อแต่การเดินต่อครั้งนี้เดินไปหลายชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอกับอะไรอีกเลยเป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันว่ามันหายไปไหนกันหมดทั้งทั้งที่4ตัวที่ผ่านมาเจอได้โดยง่ายแป๊บเดีวเจอแป๊บเดีวเจอเมื่อเสียเวลาเดินหากันอยู่นานเห็นได้ว่าจะไม่มีอะไรได้เพิ่ม จึงได้ตัดสินใจพากันเดินกลับโดยเดินกลับไปเก็บกระจงที่แขวนเอาไว้และวมาเดินกลับไปถึงตัวกระจงตัวที่สี่และต้นไม้ที่แขวนเอาไว้นั้นต้นไม้ต้นนั้นมีอาการสั่นไหวขย่มขยม่มสร้างความแปลกใจให้กับทุกคนที่เห็นในกลุ่มเพราะลมก็ไม่แรงทําไมต้นไม้ถึงได้ขย่มแรงอย่างนี้เมื่อเดินเข้าไปใกล้ามากขึ้นเจ้าของเสียงที่เคยพูดเล่นก็พูดขึ้นมาอีกว่าโตขนาดนี้เป็นตัวกระจงกระมังขณะนั้นทุกคนได้มองไปที่ตัวกระจงแต่ภาพที่เห็นก็คือ ขาของกระจงตัวนั้นเป็นสีแดงแล้วก็ส่องแสงเหมือนกระบอกไฟฉายกรอกไปกรอกมาลิ้นของมันนั้นยาวออกมามากเกือบถึงเอวและคอที่โดนเชื้อนั้นเลือดก็พุ่งออกมาเป็นฟองเสียงดังครอกครากครอกครากเหมือนหมูหรือวัวที่ห้อยหวนตอนโดนเชื้อพ่อแก่ว่าทุกคนในกลุ่มกลัวกันจนขาสัน่นก้าวขากันไม่ออกทำอะไรกันไม่ถูกได้แต่ยืนจังงังกันอยู่แล้วก็มีเสียงน้าคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นมาว่า ต้องมีใครไปปลดมันลงมาตอนนั้นในกลุ่มแต่ละคนเกี่ยงกันไม่มีใครอยากจะเป็นคนไปทําหน้าที่นั้นสุดท้ายจึงตกลงว่าไปด้วยกันทั้งหมดเหตุการณ์ตอนนั้นกว่าจะปลดลงมาได้ทุกคนก็เห็นภาพกระจงตัวนั้นทําให้ใจเต้นผิดปกติขาสัน่นมือสั่นกันทุกคนกว่าจะเอาลงกันมาได้ก็ทุลักทุเลมากเพราะระหว่างที่ปลดลงมานั้นกระจงตัวนั้นก็ยังกรอกตาแลบดิ้นดิ้นพรานไม่หยุดพอเอาลงมาได้ถึงพื้นดินมันก็ยังคงดิ้นพร่านอยู่บนพื้นดิน ทุกคนในกลุ่มรู้สึกหนาวสันหลังกับภาพที่เห็นมากและนาคนเดิมที่บอกว่าให้ไปปลดมันลงมาก็พูดขึ้นมาว่าไปเอาปืนที่ยิงมันมาและพอได้ปืนกระบอกนั้นแกก็เอาปืนไปวางบนตัวกระจงแล้วก็เอ่ยว่าแกตายไปแล้วนะอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยใครทำอะไรไม่ดีก็ขอโอโหสีด้วยสิ่งแปลกเกิดขึ้นกระจงที่ดิ้นกระแดวกระแดวนั้นกลับนิ่งชะงักนอนแน่นิ่งเหมือนตอนแรกทุกคนถอนหายใจโล่ง เมื่อใจเป็นปกติและเหตุการณ์รอบกายเป็นปกติก็แบกขึ้นและพากันเดินทางกลับณนะคุณที่ขอโอโหสิเลยพูดขึ้นว่าข้าบอกแล้วว่าขอเขาแค่4ี่ตัวแล้วยังจะมาพูดรบหลูเขาอีกดีนะที่เขาแค่หลอกแบบนี้ไม่ทําอะไรหนักกว่านี้แล้วทั้งกลุ่มก็พากันกลับแคมป์โดยปลอดภัยทุกคนและเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้คลิปนี้ถือว่าเป็นทูอินวันสำหรับเรื่องทางบ้านครับ2 อ, อัธรรถให้ได้รับฟังกันก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก คุณอย่าให้อดีตมาขีดอนาคตกับคุณสกอตต์อนุรักษ์ซอและท่านสมาชิกผู้แบ่งปันเรื่องราวนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ